เรื่องพระวิพันตกะภิกษุภิกษุผู้หมุนไปผิดรูปหนึ่งพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันทรงปราพรภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระวิพันตกะภิกษุผู้หมุนไปผิดได้ยินว่าภิกษุรูปหนึ่งเป็นศิษย์ของพระมหากัสสปะเทระบวชแล้วยังชานสี่เกิดแล้ว เห็นรูปารม์อันเป็นวิสภาคคือฆ่าศึกมีจิตปฏิพัทธ์รูปารม์นั้นศึกออกมาแล้วครั้นศึกออกมาแล้วเป็นผู้เกียจคร้านถูกไล่ออกจากงานเขายึดอาชีพโจรกรรมเพราะคลุกคลีด้วยมิดชั่ววันหนึ่งเขาถูกราชบุรุษ จ, จับได้ถูกจองจำคุมตัวไป พระเทราเห็นจึงเข้าไปพูดว่าเธอจงระลึกถึงกรรมฐานเถิดเขาได้สติยังชานให้เกิดแล้วได้จตุททชานพวกมนุษย์ราชบุรุษประหลาดใจเขาไม่หวั่นไหวไม่กลัวความตายแม้กำลังจะถูกประหารก็ไม่สะทกสะทานจึงไปกราบทูลเรื่องนี้แด่พระราชาพระราชาทรงสดับสั่งให้ปล่อยตัว เราไปเฝ้าพระศาสดาพระศาสดาทรงเปล่งโอภาษสแสดงธรรมแก่เขาตรัสว่าบุคคลใดมีอาลัยดุดหมู่ไม้อันตั้งอยู่ในปา่าออกแล้วน้อมไปปา่าออกจากป่าแล้วยังแล่นไปสู่ป่าเดิมอีกเขาพ้นแล้วจะเครื่องผูกยังล่นไปสู่เครื่องผูกเดิมอีกเพราะเหตุไรเล่า อธิบายคำว่ามีอาไลกล่าวคืออาไยในความเป็นคฤหัตพ้นแล้วจากป่าคือตัญหาเครื่องผูกคือการครองเรือนแล้วยังแล่นไปหาป่าคือตัญหาเครื่องผูกคือการคลองเรือนนั่นอีกเขานั่งฟังพระธรรมเทศนาในระหว่างราชบุรุษนั่นแหละเริ่มตั้งความเกิดขึ้นและเสื่อมไป ยกจิตขึ้นสู่ไรลักษ์พิจารณาอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายบรรลุโซดาปฏิพลแล้วสวยสุขเกิดแต่สมาบัติอยู่เหาะขึ้นสู่เวหาสมาสู่สำนักพระศาสดาโดยอากาศถวายบังคมพระศาสดาแล้วบวชได้บรรลุอรหัสในถ้ำกลางบริษัทพร้อมด้วยพระราชานั่นเองดังนี้แล